มัเป็นอันว่าเราได้ผ่านไปหนึ่งวันนึกสึงเป็นไงสบักสะบไหมคงไม่ถึงสวักสะบเนาะพอสู้ไเพราะว่าเราบางคนอดนอนพอรอดไปได้ก็ในเรื่องของการศึกษาเรื่องราวของชีวิตเนี่ยมาอยาจะให้เป็นเรื่องที่เกิดด้วยศรัท ธ, ธ า, าถ้าหากว่าเรา ได้ทำงานหรือได้ให้กับคนที่ไม่มีสถานี่เป็นเรื่องที่เหนื่อยๆแล้วก็น่าเสียดายเวลานะแต่ว่าถ้าเราทำด้วยสถานนี่เรานึกเราได้รู้สึกถึงความเติบโตร่วมกันแล้วก็ความชุ่มชื่นเบิกบานร่วมกันในธรรมปิตินะ ดังนั้นเราก็มีความพร้อมที่จะศึกษาร่วมกันไปแล้วก็แลกเปลี่ยนร่วมกันไปเพราะชีวิตไม่ใช่ของเล่นดั ง, งอาจารย์ทนิยุทธ์คือว่าชีวิตเป็นของที่สลับซับซ้อนเป็นของที่มีที่ไปที่มายาวนานเพราะนั้นการจะเกี่ยวข้องด้วยชีวิตต้องเกี่ยวข้องอย่างระมัดระวังนะแล้วก็เราจะต้องศึกษาใช้ชีวิต ให้ท่องแท้เหมือนเราการศึกษาใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆคุณพ่อด้านหลังไหวไหมขอพับไปแล้วไหวนะออกมาที่หลังใช่ อ, อ๋อมาที่หลังเนะะาะฮะมาที่หลังนะก็มาปฏิบัติหรือมาฟังทำนะจะมาปฏิบัติมมตยังไม่ได้คุยกันเลยเนาะเดี๋ยวมีโอกาสได้คุยกัน อันนั้นเองในเรื่องการให้และการรับมาก็ต้องการาเรียกว่าอะไรต้องการตอบสนองในทางที่ถูกหมายความว่าทั้งเครื่องให้และเครื่องครับเครื่องผู้ให้และผู้รับได้ตอบสนองกันอย่างาเด่ชัดเจนชัดเจนในความผู้รับผู้รับอย่างชัดเจนผู้ให้ก็ให้อย่างชัดเจนมันก็จะสื่อความหมายที่สมบูรณ์นะแล้วก็ ในเนื้อหาของการสวดวันนี้ <c oughs> ทุกวันะที่เรานําสิ่งใดมาสวดหมายถึงเรื่องนั้นจะกลายเป็นบทตั้งเป็นบทศึกษาประจาวันของเราอวันนี้เราสวดเรื่องอะไรจำไม่ได้มั้งไหมคือผ่านไปแล้ว <c oughs> บทแรกเราสวดอะไรสวดบทพิเศษวันนี้เนา ะ, ะสุภานุปัสสิง สุภาณุปสิกวิหารตังอินทะริเยสุอสังโวตังโพชตัมหิจะมัตตังยุนกุสีตังหินวิริยังตังเวปสาหติมารุคาถานี้ครัังเลยแหละจำได้มารย่อมรังควานผู้ที่ตามเห็นผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างามไม่สำรวมแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย ไม่รู้ประมาณในการบริโภคมีความ ม, มีความเพียนอันเลวนั่นแหละนะว่าโตลูกขังวัตถุพลังเหมือนลมย่อมรลังควานต้นไม้ที่ถูดพลที่พนภาพได้ฉันนั้นใช่ไหมเหมือนกระลมชนต้นไม้ที่มันไม่แข็งแรงล้มเหมือน มีมานย่ำหลังฟอนคนที่ตามเห็นอารมณ์ว่างามอย่างอาสงศิลเนี่ยเป็นนักศิละปะเนาะต้องดูอะไรต้องสวยงามหมดใช่ไหมต้องดูอะไรเป็นศินละปะที่สวยงามถ้าหากว่าดูอะไรออกมาไม่สวยงามถือว่าไม่มีศิละปะใช่ไหมงั้นก็ผิดตามพุทธพจน์บทนี้ไหมเนี่ยผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างามไม่สํารวมและอินทีย์ทั้งหลาย หมายถึงว่าดูดูอะไรก็ชอบอะดูแล้วก็ชอบแล้วว่าอินในภาษาปัจจุบันนะดูแล้วอินในสิ่งนั้นดูแล้วเข้าไปเรียก ว, ว่าชอบในอารมณ์ไปทีักษ์ความชอบรักในอารมณ์พิตั้งความรักหลงในอารมณ์พิตั้งความหลงนั่นคือในความหมายจุดนี้นะคือหมายถึงว่าถ้าไปชอบไปใจไปชอบแล้วก็เข้าไปอินกับเรื่องนั้น ไม่ชอบอะไรก็เข้าไปอินในเรื่องนั้นเข้าไปเพลินเรื่องไหนก็เข้าไปอินกับเรื่องนั้นอันนั้นหลยเรียกว่าแต่ว่าคนที่เข้าไปอินในเรื่องนั้นจะมีเงื่อนไขต่อมาว่าไม่สํารวมนะและ้วในอินรีย์ทั้งหลายไม่สํารวมคือไม่ระวังไม่ระวั ง, วงตาหูจมูกลิ้นกายใจคือไม่ระวังใจเหพื่อนเถอะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจึงระวังไม่ระวังมันก็มีค่าเท่ากันถ้าไม่ระวังใจบางคนสํารวมอย่างดีนะแต่ใจมันเล่นด้วยอะ่ะ ถึงสํารวมก็ไม่มีประโยชน์แต่บางคนไม่สํารวมเลยนะแต่ใจไม่เอาด้วยถึงไม่สํารวมก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมนี่คือคือความหมายตรงนั้นความหมายต้องสํารวมที่จิตนะระวังที่จิตเพราะนั่งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายก็สัมผัส ด, ดูไปตามเรื่องตามราวแต่ไม่มีความหมายอะไรนี่เขาเรียกว่าสํารวมโดยแท้แต่ถ้าตื่นสํารวมระวังอย่างดี้ไม่มองอะไรเลยนะแทบจะ ไม่เห็นในอะไรเลยข้างๆอันนั้นก็เรียกว่าถ้าข้างในก็สํารวมเลยข้างนอกสํารวมเลยอันนั้นวิเศษเลยนะแต่ถ้าสํารวมข้างนอกแต่ข้างในไม่สํารวมอันนั้นก็จจลําบากนะอันนี้คือความหมายไม่สํารวมแล้วในอินรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคหมายความว่าคนไม่รู้จักเพียงพอในการบริโภคในการเสพ ในการคอนซูมทั้งหลายเราทุกวันนี้เขาเรียกว่าเป็นปัญหาเรื่องโอ้โวคอนซูมชันการบริโภคเกินการใช้ส่วนเกินเยอะเกินไปก็ทำให้บริโภคทางตาทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายบริโภคทางตา ก, ก็แสวงหาสิ่งดีๆงามๆสวยๆมาไว้ใกล้ตัวเองบริโภคทางหูก็หาเสียงเพราะๆดนตรีเพราะๆ เครืมิวสิกเครื่องเล่นชนิดดีเครื่องอเสียงชนิดดีนะแล้วหาเพลงหาอะไรมาเล่นก็เรียกว่าอันนี้ก็เกินทางจมูกทางลิ้นทางลิ้นก็ไม่ต้องพูดถึงนะโดยตรงเลยแหะทางลิ้นบริโภคทุกอย่างที่ขวางหน้าอย่างนี้นะมันก็ลําบากนะไม่ไม่รู้ประมาณในการบริโภคมีความเพี้ยนอันเลว เป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรอันเลวหมายความว่าไม่ขยันไม่ค่อยประรกความเพียรเกียจคร้านคาว่าความเพียรในที่นี้วิริยะไม่ใช่ความเพียรอุสาหะคาว่าเพียรมีสองสั์ใช่ไหมอุสาหะแปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษเขาแปลว่าอะไรนะคุณคุณพัฒอุสาหะกับวิริยะความแปลต่างกันยังไงคุณพัฒอยู่ไหน บรีดอ่ะุรีดจะไปหลบไปเดียครูสอนภาษาอังกฤษนั่วิทยาวิสาหะใช่ไหมมักจะใช้ร่วมกันแต่ทางวิริยะอุสหาหะใช่ไหมวิิยะแปลว่าพยายามแล้วก็อุตสหาหะแปลว่าขยันใช่ไหมดิลเลเจนกับเอฟเฟสดิลเลเจน Very Diligent แปลว่าขยันแต่ไม่มีเอฟเฟอร์ตไม่มีความพยายามขยันก็กทําชอบก็ทําไม่ชอบก็ไม่ทานี้เขาเรียกว่าแต่ว่าวิทยยเขาเรี ย, ยวกว่ากล้าหารนะแปลว่ากล้ามาจะคําว่าวีละวีละแปลว่ากล้าหารทางใล้ค ก, กล้าจังเสียเนาะกล้าจังเสียคือขยันขยันขยันมากนะคือหมายถึงว่า <c oughs> กล้าสมมติว่ามันเกิดความขี้เกียจขึ้นมาในกล้าที่จะไม่ขี้เกียจได้มันเกิดความง่วงขึ้นมานี่กล้าที่จะเบรกความง่วงได้หาวิธีเอาชนะความง่วงให้ได้นี่เขาเรียกกล้าหาันเวลามันเบื่อขึ้นมาหาทางวิธีเอาชนะความเบื่อให้ได้นี่เขาเรียกนี่เขาเรียกว่าความเพียรแต่ขยันนี่หมายความขยันไปเรื่อยๆอะไรเข้ามากไปโดยที่ไม่สนใจเบือ่อ ขยันจนเบื่อขยันจนขี้เกียจขยันจนเมื่อยขยันจนเบ้ อ, นนบอทำอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ากล้าหไหมครับว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคขัดขวางแก้ไขตัวนั้นทะลุปูโป่งไปนี่เขาเรียกวิริยะนะในพุทธศาสนาใช้คํานี้ใช้ความวิริยะมากกว่าอุสาหนะ์เพราะฉะนั้นตัวนี้ว่ามีความเพียรอันปาลบนั้นแล้วนั่นแหละให้ตรงกันข้ามว่ามารย่อมไม่รังควานคนที่ตามเห็นอารมณว่าไม่งาม สัมรวมรดีแล้วในอีซีทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคมีความเพียรอันประลบแล้วมีความมีความเพียรอันประลบแล้วนั่นแหละมีศรัทธาและความเพียรอันประลบแล้วนั่นแหละนั่นละมานไม่หลังควานมานคืออะไรมันก็คืออุปสรรคต่างๆความง่วงหลังควานเราบ้างความเบื่อหลังควานเราบ้างความคิดฟุ้งซ่านมันหลังขวานเบ้างใช่ไหมนี้เขาเรียกมันมีไหมวันนี้มานเยอะไหม เยอะมากมารังความเยอะมากเลยวันนี้โดยเฉพาะคุณเฮียงเยอะมารังความหลายรอบนะมังความเจนคอเข่าคอหักก็เอียงหลายครั้งก็เดนี่เรื่องมารันั่นมันไม่อยู่ไกลตัวเราเนี่ยมาได้เสนมารแล้วบทต่อมาแล้วก็สวดอะไรนะยะธาหาเวปาตุพวติธรรมาอาตาปิโนชายโตปรมะหามนัสสะอัทธัสสะกังขาวัปยติสภายะโตขจะยโตขยังเสเหตธรรมัง ประชานาติเพราะนั้นคาถาเหล่านี้ไพเราะมากนะคาถาบทนี้ค้ือคาถาพุทธอุทานยะราฮาเวนะเอาเรามาแปลว่ายาหัววาไงยาหัววามาจากภาษาฮาเวยยาหัววาเป็นอะไรเป็นเป็นพระเจ้าในโอลเทสเมนใช่ไหมในคัมภีร์เก่าพระยาหวาัวโอลเทสเมน New Testament ก็เป็นพระเยซูโอลเทสเมนต์ก็เป็นยาหัวมาจากคาว่ายาทาเฮเวหมายถึงว่าเมื่อใดทำทั้งหลายผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมือ่อใดความทั้งหลายมีความเพียรมีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้น เมื่อนั้นนะความพยายามของพราหมณ์นั้นจิตของพรามนั้นย่อมย่อมสิ้นไปความสงสัยของพราหม์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมทั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุอันนี้รู้จักการเกิดนะเพราะมีเหตุที่เองเนี่ยพระพุทธเจ้าอันแรกที่อุทานทุกอย่างที่มันมานมันไม่ใช่เกิดขึ้นเลยหรอกมันมีเหตุเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามณ์ผู้มีสติปัญญานะ เพียนเพ่งอยู่คือคือเฝ้าดูอยูอ่คำว่าเพียนเพ่งนี่ไม่เหมือนางคนนั่งครั่งเพ่งนั่งเอาจริงเอาจังไม่ใช่งั้นนะเพียนเพ่งคือเฝ้าดูอยู่อะไรกำลังมันกำลังเกิดกําลังดับกําลังไปอย่าเฝ้าดูอยู่ตรงที่พระ อ, องค์เปลี่ยนมาดูเพียนเพ่งดูดูกายดูใจของเดีดูรูปดูนามอ่ะตามดูอย่างอย่างใกล้ชิดเลยนี่ก็เรียกเพียนเพ่งอ่าพาณาธสกังขาวประยันติสภาสเสตหิุธรรมัง ความสงสัยเมื่อได้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกเกิดแต่เหตุเมื่อนั้นความสงสัยของควา ม, ามนั้นย่ำสิ้นไปสงสัยละทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่บรันรดาลให้เกิดได้มีเหตุไม่มีพระเจ้าบันดาลพ ร, รุ่ิขิตมีแต่เกิดมาด้วยเหตุปัจจัยทั้งนั้นพะ อ, อันที่สองมารู้อีกว่าเจ้าทาเวปาวตุวติธรมา อาตาปิโนชาญูภามนัมสอาตาสักค้าวปัญจิสภาปัจจญานังอเวทิปัจญานังอวิได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยคือได้รู้ความดับตัณฑ์ต่แรกรู้สิ่งทั้งหลาย ม, มันมันคือเหตุมันเกิดใช่ไหมรู้การรู้เกิดสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุไปที่เกิดแล้วเกิดขึ้นรู้จากการเกิดนั่นเองแล้วอันที่สองมารู้จักการดับ ปัจจัยทั้งหลายเกิดแล้วมันก็ต้องดับนะดับการเกิดเป็นเหตุการดับเป็นอะไรเป็นผลรู้การเกิดและการดับนะอันที่สองอันที่สามท่านว่าสูโรวาโอภาสยมันเปที่ต่างกันนะอันต้นเหมือนกันหมดวิทยาทาเวรมันกันวิทยาาเวมนกั น, ว, กนว่าไอ ความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปย่อมสิ้นไปเหมือนพระอาทิตย์ส่องสวาง่างส่องสว่างในที่มืดฉันนั้นนะอันสุดท้ายพอมารู้ว่าสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุแล้วก็มันก็ดับสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุแล้วก็การดับไปของเหตุการดับไปของปัจจัยทั้งหลายแล้วเหตุปัจจัยปัจจัยญาณังอเวทินะ เนี่ยเป็นคาถาพุทธอุทานสามที่เราสวดไปเมื่อกี้ดังนั้นเองที่เรามาปฏิบัติเนี่ยถ้าเราจะรู้จากการาที่เรานั่งอยู่เนี่ยการเคลื่อนไหวมันไม่มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยมันต้องมีที่มาอะไรที่มาของการเคลื่อนของการหยุดหรือจู่จูรมัมจะเคลื่อนโดยที่ที่ไม่มีที่ไปที่มาเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ได้ใช่ไมครูโม รู้ไหมว่าการเคลื่อนไหวที่ยกมันมาจากไหนิ่มหาเหตุกันละคือมันจะทุกข์เหรอเอ๊ะทำไมทุกข์นักทุกข์หนายกกันทั้งวันเนี่ยทุกข์อะไรกันนั้นนะคือเคลื่อนไหวเนี่ยเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็เคลื่อนไหวอยู่แล้วใช่ไหมอย่างพับตาเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวไหม เปิดพับเปิดพับมันก็หยุดใช่ไหมเปิดก็ขึ้นขึ้นก็พับอีกวันหนึ่งการเคลื่อนไหวหลับตาขึ้นลงเลยกี่ครั้งคุณพ่อข้างหลังเนี่เกิดมานานแล้วต้องรู้เนาะพอจะรู้ได้ไหมวันนึงพับตาขึ้นลงนกี่ครั้งที่ถามแบบนักเลงเนี่ยไอคนหนึงก็จะตอบว่าคําถามโง่ทำไมถามโง่ๆแบบนี้วะนักเลงก็จะตอบกันแบบนะั้น แต่ว่านี่เป็นคําถามที่ตรงไปตรงมานะแต่ว่าไม่มีใครตอบได้และวันภาพตายกี่ครั้งวันหายใจเข้าออกกี่ครั้งเนี่ยแต่มันน่าสนใจว่ามันต้องมีที่ไปที่มาใช่ไหมจู่ๆมันจะหายใจเล่นๆไม่มีอยู่ใจพับตาขึ้นลงเล่นๆมันไม่มีมันต้องมีที่ไปที่มาถามว่ามันไปมันมาอย่างไรมันทําไมการเคลื่อนไหวเนี่ยอย่างหาวเนี่ยเป็นเคลื่อนไหวไหมรู้ที่มาไหม ยังไม่ได้ทันดูเลยใช่ไหมมันหาเอาซะก่อนแล้วอ้าวปากเธอไปเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้คือการศึกษาธรรมะคือศึกษาสิ่งที่กําลังมีอยู่เป็นอยู่นะมันมีที่ไปที่มาเอาละทีนี้ที่เมื่อวานที่บอกว่าการยกมือเนี่ยมันมีอยู่สิบสีจังหวะก็จริงแต่ว่าในการเคลื่อนกับการหยุดเนี่ยมันมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่นะมีเคลื่อนอยู่ ส4บสใช่ไหมแล้วมีหยุดอยู่ <14. S 1> พิสูจน์ได้ไหมว่ามันเท่าเท่านั้นจริงจริงอ่าลองช่วยพิสูจน์กันทุกคนวางมาอืออันนี้นะเป็นหนึ่งนะพอมันหยุดนี่สองเคลื่อนสามหยุดสี่เคลื่อนห้าหยุดหเคลื่อนเจดหยุดแปดเคลื่อน 9หยุด10เคลื่อน11หยุด12เคลื่อน13หยุด14เคลื่อน15หยุด16เคลื่อน17หยุด18เคลื่อน19หยุด20สเคลื่อน21หยุด22เคลื่อน23าหยุด 24สี่เคลื่อน25บห้าหยุดยี่หกเคลื่อนย7เจ็ดหยุดย8บปดเคลื่อนย9บเก้าหยุดไหนยี่แปดมาเป็นย9บเก้ารวมท่านับท่าตั้งด้วยวิานน์ในเขาไม่ยอมนะว่าสิบสี่เขาบอกต้องสิบห้า 15, มันได้เทียนกันแต่มันรวมแล้วผูว่ามันนับได้ย9บเก้า ครือหมายความว่าการเคลื่อนการไหวรวมกันเป็นจังหวะจังหวะส่วนใหญ่แล้วก็ลุยไปเลยใช่ไหมไม่ยู่เคลื่อนก็ไม่รู้ไหวเพราะฉะนั้นให้รู้ชัดๆในการเคลื่อนยู้ชัดๆในการหยุดถ้าหากเกือบเพี่ยมการหยุดกับการเคลื่อนเนี่ยอันไหนคนจะเป็นเกิดอันไหนคนจะเป็นดับอืมเริ่มไปหาเหตุแล้วนะด้วยทีนึ่ง ถ้าเปรียบเทียบไม่ใช่เปรียบเทียบอะ่ะตัวนี้คือผลมาจากการเกิดกับการดับของจิตแต่มันซิมบิฟายขยายออกมาเป็นตัวรูปเพราะการเกิดดของจิตเป็นนามใช่ไหมทีนี้ไอ้ตัวขยายมาเป็นรูปมันก็จะมีสองขณะคือการเคลื่อนกับการหยุดถ้าจะถามว่าระหว่างหยุดกับเคลื่อนเนี่ยอันไหน คนจะเป็นเกิดอันไหนคนจะเป็นดับเอานะอันนี้ไม่ใช่เล่นๆนะเล่นจริงๆนะี่นะท่างเชื่อกันพิสูจน์คุณวิไลปฏิบัติมานานแล้วระหว่างการอยู่กับการเคลื่อนเะ น, นี่ยอันไหนคนจะเป็นเกิดอันไหนคนจะเป็นดับยากไหม <c oughs> ยากไปไหม <c oughs> ไม่ยากงั้นถ้ายากคําถามง่ายกว่านี้หายใจเข้า <c oughs> หายใจออกหายใจเข้ากับหายใจออกอันไหนคนจะเป็นเกิดอันไหนคนจะเป็นดับยากกว่าอเหรอตายล้วอันนี้ว่า ง, ง่ายแล้วนะหายใจเข้าคนจะเป็นเกิดหรือก็เป็นดับยากไปไหมถ้าอยากไปถามง่ายกว่านี้อีก <S 2> <S 2> หายใจเข้ากับหายใจออกอันไหนเป็นทุกข์อันไหนไม่ทุกข์นี่ง่ายแล้วนะ หายใจเข้ากับหายใจออกอันไหนทุกอันไหนไม่ทุกอันไหนรู้สึกทุกอันไหนรู้ไม่รู้สึกทุก่งหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าทุกหรือไม่ทุกตอบอ whisper, ้าวยากอีกะอะฮะเอาให้ชัดหายใจเข้ากับหายใจออกอันไหนเป็นทุกอันไหนไม่ทุก <c oughs> น, <accomplishments. S 1> นี่คือคำถาม <c oughs> ที่เป็นปรมาจนะ หายใจเข้าคนจะเป็นทุกข์หรือเป็นไม่ทุกข์เป็นทุกข์หายใจออกคนจะเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบหายใจเข้ากับหายใจออกอันไหนเป็นเกิดอันไหนก็จะเป็นดับหายใจเข้าเป็นเกิดหรือเป็นดับเป็นเกิดหายใจออกเป็นดับเพราะหายใจเข้ามันทุกข์ใช่ไหมหายใจออกไม่ทุกข์ ฉะนั้นการเกิดต้องเป็นอะไรเสมอเป็นทุกข์อ่าเริ่มเข้าที่แล้วและการดับเป็นเพราะการดับไม่ใช่สุขนะแต่เป็นไม่ทุกข์คำว่าไม่ทุกข์กับสุขคนละเรื่องกันนึ้อออกไหมเพราะสุขกับทุกข์นั้นไม่ได้ต่างกันเป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละ อันนี้เป็นสุขอันนี้ก็เป็นทุกข์ถ้าอันนี้เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นแต่วัตถุเดียวกันแต่ถ้าไม่ทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งนี้เลยมันอีกสิ่งหนึ่งเลยอาจจะเป็นแก้วน้ําต่างหากอันนี้คือไม่ทุกข์แต่สุขกับทุกข์ก็คืออยู่เหรียญเดียวกันแต่คนละหน้าแต่มันไม่ใช่อีกเหรียญหนึ่งเลยนี่คือเพราะฉะนั้นทุกข์นั้นเองเป็นเหตุให้เกิดสุขสุขนั่นเองเป็นเหตุให้เกิด แต่ความไม่ทุกนั้นไม่ใช่ทั้งทุกและไม่ใช่ทั้งสุขเพราะฉะนั้นหายใจออกจึงเป็นไม่ทุกขแต่ก็ไม่ใช่สุขหายใจเข้าเป็นทุกขทีนี้คําถามม่กกี้ว่าอะไร istas, การเคลื่อนกับการหยุดอันไหนเป็นสุขอันไหนเป็นทุกเคลื่อนเป็นทุกการหยุดเป็ น, นไม่ไมทุกเพราะนั้นการเคลื่อนการหยุดอันไหนควรจะเป็นเกิดหรือเป็นดับ การเคลื่อนเป็นเกิดการหยุดเป็นเป็นดับเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างจังหวะถ้าไม่รู้จักเคลื <S <S ่อนการหยุดชัดๆเนี่ยเราสามารถเห็นการเกิดดับของจีชัดไหมขนาดการเคลื่อนการหยุดของกายการเกิดดับของกายยังเห็นไม่ชัดเลยเพราะนั้นการที่ทําจังหวะลุยไปเรื่อยๆนี่ระวังให้ดีมันจะไปเห็นข้างในไม่ชัดหยุดก็เห็นไม่ชัดเคลื่อนก็เห็นใม่ชัดชัดสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า ตัวรูปเป็นส่วนต่อขยายของนามการที่เราจะไปเห็นการเกิดดับของนามต้องการเห็นการเกิดดับของรูปแต่การเกิดดับนี่เป็นภาษาของจิตใช่ไหมแต่พอเป็นสัษาขงกายมีเยอะมากเลยหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเกิดดับของจิตการเคลื่อนและการอยู่เป็นการเกิดดับของจิตในร่างกายของเรามีความสบายและความไม่สบาย แน่นอนความไม่สบายต้องเป็นเกิดหรือเป็นดับความไม่สบายเป็นเกิดความสบายเป็นอ่าหลงประเด็นละเอาถามวิธีนี้ในร่างกายของเรามีอาการอยู่สองอย่างคือความรู้สึกสบายและไม่สบายแล้วบอกว่าความรู้สึกไม่สบายเป็นเกิดความรู้สึกสบายมันน่าจะเป็นดับน ใ, นใช่ไหม เพราะความไม่สบายเกิดจากความสบายนั <Maybe. Hello> <No. S 1> ่นเองความสบายก็เกิดความจากไม่สบายนั่นเองนั้นดับมันควรจะเป็นอะไรดับก็คือไม่มีทั้งความสบายและไม่สบายนะเอาละทีนี้ลึกเข้าไปอีกหน่อยความพอใจกับความไม่พอใจอันไหนควรจะเป็นเกิดอันไหนควรจะเป็นดับความไม่พอใจเป็นเกิดหรือเป็นดับความไม่พอใจเป็นเกิดถ้าความพอใจเป็น เป็นดับหรือวะความไม่มีทั้งพอใจและไม่พอใจนั้นเป็นดับแต่ไม่หมายอย่าหลงประเด็นนะทางกายเนี่ยอีกแบบหนึง่งทางจิตอีกแบบหนึง่งความพอใจและไม่พอใจต่างก็เป็นเกิดแต่สิ่งที่มันดับก็คือไม่มีทั้งสองอย่างความพอใจก็ไม่มีความไม่พอใจก็ไม่มีนี่อาจจะเป็นดับดังนั้นผลพวงที่เรา ขับหยับเขายื่นเคลื่อนไหวนี่เป็นผลพวงของการของสองสิ่งเท่านั้นคือเกิดกับดับมันก็ขยายออกไปเรื่อยๆยขยายเป็นพอใจและไม่พอใจเป็นของคู่ขยายเป็นหญิงและเป็นชายขยายเป็นนรกเป็นสวรรค์ขยายเป็นสังสารวัตรนริพพานแต่เริ่มต้นมาจากสองตัวแค่นี้คือการเกิดและการดับ แต่ก่อนระหว่างกลางเนี่ยมันเกิดมาแล้วกว่าที่จะไปดับเนี่ยในระหว่างกลางเขาเรียกอะไรเออในระหว่างกลางเขาเรียกอะไรสมมุติว่าอะเกิดฝีขึ้นมากว่าฝีมันจะดับกว่าถี่ฝีมันจะแตกระหว่างกลางคืออะไรเกิดยุงกัดขึ้นมามันเป็นเกิดใช่ไหมกว่าจะกว่าจะหายคันเนี่ยในระหว่างกลางเป็นอะไรตั้งอยู่มันเป็นอะไร เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่โดยธรรมชาติมันเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมแต่ใ น, นระหว่างกลางคือการตั้งอยู่ตั้งอยู่ตรงนี้คืออะไรตรงนี้เองที่เรียกว่าแปลปรวน <c oughs> ที่ว่ามาเป็นเช้าใช่ไหมการเกิดขึ้นคืออะเป็นกฎของ อ, อะไรอันนี้จังการดำรงอยู่คือความแปลปรวนหรือว่าทุกขงังและการดับเป็นอนัตตา ทั้งสาอย่างทั้งสองอย่างขยายเป็น3แล้วทีเนี้เพราะนั้นกฎของนิจังลูกข้าวนาตาเกิดมาจากกฎของการเกิดและการดับ <c oughs> อันนี้พระพุทธเจ้าได้เห็นการวิขี่และ ว, ว่าตามพุทธภาษีวิขี่นะวยธาหาเวปาจุพาวันติธรรมาอาตาปิโนชายะโตภาลมารสัตอาทัสสักังขาวัปยันติสภาเสเหตุธรรมังประชาชนาติสเสฮิตุธรรมังเมื่อใดนักปฏิบัติ มีสติปัญญาเพียนเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของนักปฏิบัติคนนั้นย่อมหายไปเพราะได้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายล้วนมาแต่การเกิดจากเหตุาการเกิดจากเหตุอันนี้คือพุทธภาษีว่าพรามิกีดังนั้นเองถ้าหากพวกเราเห็นทั้งสองอย่างเห็นการเกิดการดับของกายและเห็นเราก็จะไปเห็นการเกิดการดับของจิต ถ้าเราเห็นการเกิดการดับของกายไม่ชัดจะไปเห็นการเกิดของการดับของจิตชัดไหมไม่ชัดเมื่อไม่ชัดแล้วความสงสัยหายได้ไหมไม่ได้ความสงสั ย, หา ย, ห, าสสยหายไปไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเกิดและมันดับนะต่นั้นเองสูงสุดในนี่คือใช้คาว่าหายสงสัยเป็นคำคำหนึ่งคุณแดงคำว่าสงสัยเนี่ย ในระดับไหนที่ว่ามันจะหมดกิเลสได้เอ้ยวันนี้สงสัยว่าอาจารย์สักพุกไม่มาแล้วสงสัยแบบนี้เป็นเป็นเป็นสงสัยที่ถูกต้องไหมไม่ถูกเอ้ยวันนี้คนนั้นน่าจะมาตั้งนานแล้วทำไมทุึ้มาอะไเนี่ยเป็นความสงสัยที่ถูกต้องไหมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่ความสงสัยแต่ความสงสัยว่าเอ๊ยว่เาเกิดมาจากไหนตายแล้วเราจะไปไหนผีมีจริงหรือเปล่า ชาติหน้ามีจริงไหมพระพุทธเจ้ามีจริงไหมเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสงสัยแต่พอคนมาเห็นความจริงตรงเนี้ยไม่มีความสงสัยว่าผีมีจริงไหมชาติหน้ามีจริงไหมชาตินี้นรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมทุกมีจริงไหมสุขมีจริงไหมจะไม่สงสัยเพราะมารู้ที่เหตุเหตุคืออะไรเหตุก็คือมีการเกิดและมีการดับของกายอยู่เราเห็นสัมผัสกันอยู่ทุกวันใช่ไหะนรก เป็นเกิดหรือเป็นดับเป็นเกิดนรกเพราะนักเกิดเป็นนรกเป็นทุกข์ใช่ไหมอ่าสวรรค์เป็นเกิดหรือเป็นดับแน่หลงประเด็นอีกแล้ว <laughs> สวรรค์ก็จะเป็นการเกิดเพราะสวรรค์ก็ทําให้เกิดนรกนั่นเองคนที่ไปติดสวรรค์ใ น, นที่สุดก็ต้องมาลงนรกคนที่ไปติดอยู่ในโลกนานา ม, มันเบือ่อมันอยากจะหนีมันก็ไปติดออกมาก็ไปหาสแสวงหาสวรรค์คนที่ไปติดสวรรค์มันเพลินไม่รู้จักความทุกข์พอเจออีกทีหนึ่งก็ตัวเองปรากฏ ตกนนนรกแล้วเห็นไหมนรกก็ทําให้เกิดสวรรค์พอใจก็กดขึวไม่พอใจความพอใจก็เกิดความไม่พอใจสลับกันไปกันมา น, นี่คือการเห็นการเกิดดับก็ในส่วนที่เป็นรูปเสียก่อนแล้วถึงจะตามไปสู่การเห็นการเกิดดับของนามได้ถ้าจิตของเราไม่ไมาเห็นการเคลื่อนการไหวการไปกันมาที่เป็นเกิดเป็นดับทางที่เป็นรูปประธรรมเสียก่อนเนี่ย มันก็ไม่สามารถจะเห็นหนามาทําได้แค่เห็นการเกิดดับการไปกันมาความสบายไม่สบายความสุขความทุกข์ความแปรปรวนของร่างกายสังขารเรก็เกิดความเบื่อหน่ายแล้วแต่ถ้ายังไม่เกิดปัญญามันก็ยังไม่เบื่อหน่ายอยู่ดีใช่ไหมะจะทุกขนาะไหนก็ยังชอบอยู่ดีเขาจะทรมานเขาจะด่าจะว่าเขาจะดินทาเขาจะปรามาทเขาโศภามาทเขาดูถูกขเขาขนาดไหนเราขณะนั้นล้วก็ยังรักเขาอยู่ดีเรายังไม่เบื่อหน่าย เพราะปัญญาของเราเนีไม่เกิดเพราะฉะนั้นเรามาเจริญตัวนี้คือมาเจริญปัญญาใช่ไหมขณะผู้ที่ยอดศรู้ท่านก็เห็นสองอย่างนี่เองเห็นอย่างแรกเห็นการเห็นว่าเอ๊ะท่านสงสัยว่า เ, เราร่างกายของเราที่เป็นมายเนี่มันเป็นมาอย่างไรมันว่า น, นั่งอยู่นี้ได้ไงท่านก็ดูเข้าไปดูเข้าไปในการในใจว่าร่างกายนี่มาจากไหนมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วเกิดมาแล้วั้งว่าทุกทำไมจึงมีตามดูไปดูมาก็ไปเห็นรูปกับนามก่อนไปเห็นรูปอ๋อมันมีตัวรูปแล้วก็มีตัวที่ไม่ใช่รูปอาศัยอยู่แล้วตัวรูปของเราเนี่ยมันมาจากไหนต้นมะขามมาจากไหนมาจากเาาม็ดมาขามแล้วเม็ดมะขามมาจากไหน โอ้ยมันก็ไก่กับไข่ได้เลยมั้ปัญหาที่้เมาอยู่ดีเนี่นะเม็ดมะขามต้องมาจากท่าสี่ดินน้ํำลมไฟอาจต้องมีที่สิ้นสุดถ้าเกิดว่าไม่สิ้นสุดเราก็วนกันทั้งคืนนะทีนี้นะหาคําตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นต้นมะขามมาจากเม็ดมะขามเม็ดมะขามมาจากท่าสี่ดินน้ำลมไฟแล้วดินน้ําลมไฟเนี่ยจริงๆแล้วดินกับน้ําลมกับไฟถ้าจะย่อเหลือสองได้ไหม ถ้าสี่ถ้าจะย่อเหลือสองเนี่ยธาตุไหนคนจะเข้ากับธาตุไหนธาตุน้ำเป็นรูปหยาบดินก็เป็นรูปหยาบเข้ากันได้ไหมไฟเป็นรูปละเอียดลมเป็นรูปละเอียดเข้ากันได้ไหมถ้าไม่มีอากาศติดไฟจะติดไหมไม่ติดอาศัยกันถ้าเป็นสุญญากาศดังนั้นธาตุลมกับธาตุไฟคนจะเป็นธาตุ อันเดียวกันธาตุดินกับธาตุน้ําก็จะเป็นธาตุอันเดียวกันย่อเหลือสองมือกันอันนั้นถ้าขยายมาเป็นตัวคนผู้หญิงผู้ชายผู้ชายควรจะเป็นท่านไหนผู้หญิงควรจะเป็นท่านไหนธาตุดินกับธาตุน้ำธาตุลมกับธาตุไฟนะธาตุน้ํากับธาตุลมธาตุไฟกับธาตุดินเป็นธาตุหนักธาตุน้ํากว่าธาตุลม เป็นธาตุที่เย็นที่เบาก็มาแยกเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้หญิงควจะเป็นธาตุลมกับธาตุน้ำผู้ชายคนจะเป็นธาตุไฟกับธาตุดินหยาบด้วยกันร้อนด้วยกันพอมาบวกกันแล้วก็เป็นดินน้ำบนไฟดินน้ำบนไฟอันไหนคนจะเป็นหนักอันไหนคนจะเป็นเบาก็จะออกเนื่องมาจากการเกิดดับเหมือนกันของธาตุสาวไปสาวมานะ ดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวอันนี้ค่อนข้างละเอียดไปหน่อยแต่ก็ฟังรู้เรื่องนะเพราะว่าว่าในเรื่องของรูปธรรมก่อนนะรูปธรรมก่อนแต่นั้นการเจริญสติเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องการมารู้ของหยาบๆเหล่าบบบนี้ตามความเป็นจริงเสก่อนอย่าไปรู้ว่ามันสวยหรือมันสวยมันดีหรือไม่ดีมันเป็นอะไรแต่ให้รู้ว่าตัวที่เราสัมผัสได้ขนาดนี้ที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราวัดจากอะไรแล้วว่าเรามีชีวิตเห็นง่ายๆอย่างนี้ก่อน เราวัดมีในขณะที่เรารู้สึกขณะดนี้เอาเฉพาะรู้สึกก่อนดิลมหายใจเราบางทีเราก็ไม่รู้สึ ก, ก น, นะเรารู้สึกขนาดนี้เย็นร้อนอ่อนแข็งเค้งตึงใช่ไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งเค่งตึงมาจากอาการของอะไรอาการสาสสองที่ว่ามาเมื่อเช้าอาการสิบสองนี้ย่อยมาจากธาตุสดินน้ําลมไฟดินน้ําลมไฟก็มาย่อก็เหลือสองคือการเกิดและการดับ และการเดือการดับถ้าหาก ว, ว่าจะดับให้เป็นสามก็คือมีการเกิดแล้วก็แรปรปรวนในท่ามการตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเป็นสองเมื่อเป็นสามแล้วก็กลายเป็นสี่คือธาตุสี่ขยายไปเรื่อยๆพอธะตุสี่บวกกันโดยอัตราที่เหมาะสมกลายเป็นธาตุหอากาศธาตุวิญญาณธาตุเข้ามาอีกใช่ไหมจากดินน้ำเมืองไฟก็เป็น 6. อากาศแล้วเป็นวิญญาณก็เป็นธาตุหกธาตุหกผสมผสานกันด้วยความเหมาะสมกลายเป็นขันห้าขันห้ามีอะไร รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนั้นเราจะเห็นว่าเริ่มต้นไม่มีอะไรเป็นหนึ่งใช่ไหมมันเริ่มต้นด้สองคือของคู่คือกเกิดกับดับกายกับใจก็ามาเปลี่ยนเป็นสมเป็นสี่เป็นห้าเป็นหไปเรื่อยๆนี่คือเราจึงเป็นทุกข์เพราะของคู่แต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าให้ค้นไปให้ให้มันเหลืออันเดียวถึงจะหมดทุกข์ ถ้าเหลื อ, อเดียวระหว่างกายกับใจเนี่ยให้เหลื อ, อเดียวจะให้เหลืออะไรเออน่าคิดนะให้เหลืออะไรระหว่างเเอาถามกันห่อกา ก, ากายกับใจในี่ใครเป็นคนสร้างใครกายเป็นคนสร้างใจหรือใจเป็นคนสร้างกายแน่ใจนะกายสร้างใจหรือใจสร้างกายานั่นเข้ากับวิทยาศาสตร์พลังงานก็ให้เกิดสาสารได้แต่สาสาร อเป็นตัวที่หยากออกมาเพราะฉนั้นในโลกนี้มันจึงเป็นมาจากพลังงานคือของว่างจงมองเห็นโลกนี้เป็นของว่างเป๊ะเลยให้เหลือแต่อันเดียวคือว่างหรือเหลือแต่พลังงานเพราะอย่างสมมติว่าเรานี่เกิดมาเป็นลูกเป็นนามเนี่ยถ้าพ่อแม่เราไม่เห็นกันหรือเห็นกันไม่ได้รู้สึกต่อกันไม่ได้รักกันรักคอรู้สึกต่อกันเป็นนามใช่ไหมเนี่ยเราก็เกิดมาจากนามที่ของพ่อของแม่นั่นเองก็มาเกิดเป็นตัวเรา เพราะ น, นั้นจริงๆแล้วรูปไม่ได้มีมาก่อนแต่มีนามคือพลังของโลกพลังจกักรวาลมันมีมาก่อนให้มองเหลือหนึ่งคือเหลือแต่เอนเนอรคือพลังมีโมคราชนะโมคราชเป็นลูกศิษย์ของพามภาวรีว่าพามภาวรีอยากจะทดสอบคืออยากจะทดสอบพระพุทธเจ้าทรงลูกศิษย์ไปทดสอบพระรู้พระพุทธเจ้า ถึงคนที่สิบหกโมฆ ร, ราชคนหนึ่งในพรามณ์ของเผ่านี้เข้าไปถามพระพุทธเจ้าในในสิบกคนอะโมค ร, ราชเขาไปถามว่าข้าแต่พระองค์ท่านผู้เจริญจะทํำยังไงให้มัจจุราชมองไม่เห็นเราจะทํำยังไงพุทธเจ้าตรัสว่าสุญญโตโลเกอเวกขันสุโมค ร, ราชสัทธา ส, า ส, า ส, าสาตูดูก่อนโมค ร, ราช เธอจงเห็นมองโลกนี้เป็นของว่างแล้วมัจจุราชจะมองไม่เห็นเธอหมายของมองร่างกายจิตใจของเราเนี่เป็นเพียงธาตุอันหนึ่งคือธาตุรู้ธาตุรู้เป็นของว่างใช่ไหมให้เหลือแต่เพียงธาตุรู้แล้วมัจจุราชคือความตายจะมองไม่เห็นเราความทุกข์จะมองไม่คำว่ามัจจุราชไปคิดว่าเราตายนะเราทุกข์เมือไหร่เราตายเมื่นั้นถ้าเราทุกข์นั่นหมายความมัจจุราชมองเห็นเราแล้ว ถ้าเราไม่ทุกมองมัจุราชมองมาเห็นเราเพราะฉะนั้นเราจึงทําใจให้อยู่กับตัวรู้ตัวรู้ก็คื อ, คอตัวว่างนั่นเองถ้าถ้ามันรู้มันว่างจากอะไรว่างจากความไม่รู้แต่ไม่ได้ว่างจากตัวตนนะว่างจากความไม่รู้ถ้ารู้ขึ้นมาเราว่างถามว่าว่างจากอะไร empty of what empty of of form นะ โอเคอัน fortunate l y you cannot ยถ laugh. <laughs> okay. <N> ่ายแล้วก็ถ่ายแล้งอยู่โอเคเอคุณพัฒน์ดินชานเฉลต์พออยู่นะได้หมดไหมเก็บความได้หมดนะคุณ <na> พ <K> ัฒ <na> นที่จะไปสื่อให้ก่อนคุณหลวพ่อไม่มีเวลา <N> <na> ดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลึกไม่ใช่เรื่องตื้นแต่เป็นเรื่องจริงที่เราเท่าเข้าใจได้แต่อาจจะเป็นเรื่องจริงที่เราไม่เคยฟังนั่เองเรารู้สึกว่ามันลึกใช่ไหม เป็นเรื่องจริงที่เราไม่เคยได้ฟังแต่ฟังแล้วเข้าใจนะ น, นั้นเรื่องนี้ที่ผมพ่ออยากสื่อก็เพราะว่าเราส่วนใหญ่เราฟังทำเพื่อจริงแต่เราฟังทำเรื่องอะไรก็ไม่รู้เราก็มีการพูดคุยกันบ่อยๆไอ้คนว่าแต่ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้หรอกเมื่อมาพูดดูเหมือนว่ามันยากแต่ไม่ยากแต่เราไม่คุ้นเท่านั้นเองเรายังไม่คุ้นไม่คุ้นหูดังนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะมาใส่ใจตัวเอง ผลพวงขามาึมานะไม่ใส่ใจตัวเองว่ า, าขณะ น, นี้เรานั่งรู้สึกหนักลำโคกเนี่ยมันเป็นเกิดหรือเป็นดับหนอเราจะรู้ถามตัวเองเลยใช่ไหมตอบได้ไหมว่า น, น, นั่งขณะ น, น, นี้มันเป็นเกิดหรือเป็นดับเป็นเกิดเกิอดอะไรเกิดความไม่สบายไม่ใช่ทุกเกิดความไม่สบายในเรื่องร่างของกายเนี่ยเรื่องของรูปตรงว่าสบายไม่สบายแต่ทุกขหรือไม่ทุกเป็นเรื่องของใจ แต่ถ้าคุณพ่อทำไมพูดเลยไม่รู้เรื่องปวดหัวจังนี่เนี่ยลำคานไม่สบายใจแล้วอันนี้แหละทุกข์ละทุกข์เกิดขึ้นละนั่งมานานถ้าสมมุติไม่สบายลุกขึ้นอย่างเงี้ยมายังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วมันไปแล้วใช่ไหม น, นันแก้ไขง่ายมากความไม่สบายของกายข อ, ของกายสบายดังนั้นกายจึงไม่เป็นสมุทยัยแต่จิตเป็นสมุทัยให้เกิดทุกขนะ์ที่มีความอยากเอาล่ะทีนี้ มาถึงจุดนี้แล้วนะไหนๆพูดถึงเรื่องการอของคู่ละถ้าหากว่าเรามาเจริญสติถ้าเราตามไม่ทันคู่นี้เนี่ยเราก็าจะตามไม่ทันคู่ข้างไหนเหมือนกันคู่นี้คือคู่อะไรคู่เคลื่อนกับคู่หยุดใช่ไหมคู่เคลื่อนเราก็สมมติการเคลื่อนกันอยู่เนี่ยเคลื่อนเคลื่อนเป็นเกิดการหยุดเป็นดับนะเราก็ไปการเคลื่อนเหล่านี้ย เราจะทำอย่างไรให้เกิดตัวรู้เกิดตัวว่างขึ้นมาตลอดเวลาที่เราเคลื่อนไหวที่ไม่มีตัวกาหนดรู้เนี่ยมจุลาชมองเห็นเราตลอดเลยเพราะว่าเราไปอยู่กับของคู่ใช่ั้ยการเคลื่อนการหยุดการสบายไม่สบายเราไปอยู่รู้สึกเวลาสบายขึ้นมาก็ชอบเวลาไม่สบายขึ้นมาก็ไม่ชอบนะเดี๋ยวนี้มัจุราชมองเห็นเราแต่ถ้าหากว่าเราสบายหรือไม่สบาย เราก็ใจของเราไม่ได้ไปตามใจของเราดูเป็นความรู้สึกเฉยๆรู้เฉยๆถ้าหากว่ามันทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้ก็ปรับออกเสียโดยที่ไม่ได้มาทุกว่ามันสบายหรือไม่สบายไม่พอาพอใจถ้าสบายก็พอใจไม่สบายก็ไม่พอใจไม่มีสบายก็รู้ไม่สบายก็รู้เฉยๆเป็นตัวว่างแล้วใช่ไหมมาจุฬาชก็มองไม่เห็นหมายความความทุกข์ไม่เกิดในใจที่ว่ามจุฬามองไม่เห็น ถ้ามาัจจุรัชมองเห็นไหมความทุกข์มันเกิดในใจความง่วงกับความไม่ง่วงอันนเป็นเกิดเป็นดับดความง่วงเป็นเกิดความไม่ง่วงเป็นดับเราบังคับการเกิดได้ไหมไม่ได้แต่เราแก้ไขาการเกิดได้ไหมได้นความง่วงกับความตื่นเอางี้ดีป่ะจะว่าไม่ง่วงความง่วงกับความตื่น ความตื่นควจะเป็นเกิดหรือเป็นดับเอ่อความม่วงกับความตื่นเป็นสิ่งตรงกันข้ามหรือเป็นอเป็นอันเดียวกันเออชักงงละคยจะหลงทางความม่วงกับความตื่นเป็นสิ่งตรงกันข้ามหรือสิ่งเดียวกันคนละขั้ ว, วหรือเป็นคนละอย่างเออความมัวงความตื่น คุณอะไรนะนูนะ่น่ะความง่วงความตื่นเขา ง, ง่วงอยู่พ่อเลยถามเขา ง, ง่วงคุณอะไรนะมพ่อกําลังถามเธอความง่วงกับความตื่นเป็นอันเดียวกันหรือคนลนเห็นไหมมัวมัวง่วงอะพวกหนูพ่อ พ, พ, พูดในเธอไม่ฟังก็เลยจำไม่ได้เลยไหว <laughs> ไหมเมื่อคืนไม่นอนไม่หลับเลยใช่ไหมคืนนี้จะให้หลับแน่เลยนะ น, น่าจะเห็นว่า เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจเนี่ยโอ้เดือดบากแต่ว่าเราฟังในประจํำวันเนี่ยเรามักจยากอินเตอร์เทนกันในเรื่องต่างๆเนเรื่องสนุกสนานเรื่องตลกโปกฮายเล่นมนุษย์ส่วนใหญ่เราไปติดแต่เรื่องเล่นพอมาเรื่องจริงเรากลับไปเรื่องเครียดใช่ไหมแต่ความจริงไม่ใช่เรื่องเครียดความจริงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าศึกษาแต่ทําไมพอไปเจอคน ส่วนใหญ่ปัจจุบันทเจอเรื่องจริงแล้วเป็นเรื่องเครียดเพราะว่าเขาเล่นมาจนเป็นนิสัยเดี๋ยวเล่นผู้ใหญ่ก็เล่นแบบผู้ใหญ่เด็กก็เล่นแบบเด็กเด็กเล่นอะไรเล่นของเล่นใช่ไหมโตมาอีกหน่อยก็เล่นเรียนหนังสือโตวียหน่อยก็เล่นหาตาแหน่งการงานโตมาอีกหน่อยก็เล่นกับงานโตมาอีกหน่อยก็เล่นมีคู่มีครองโตมาอีกหน่อยก็เล่นกับ การหาทรัพย์สมบัติโดยไม่หน่อยก็เล่นแล้วของเล่นแทงขึ้นเรื่อยๆเข้าใจไเล่นรถคัน5แสน8แสนนี่เงี้ยยิ่งเล่นยิ่งแพงก็ยิ่งทุกข์เยอะขึ้นอะเพราะมนุษย์จึงสนุกกับการเล่นบางทีแก่จะแย่อยู่แล้วยังเล่นกีฬาอยู่เลยเล่นกีฬายังเต้นอาร์บิกอยู่ก็อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเราอยู่กับการเล่นตลอดเพราะมาเจอจริงแต่ชีวิตเป็นของจริงชีวิตไม่ใช่ของเล่นถ้าเราเล่นเยอะๆแสดงว่าเราไม่มีชีวิตอยู่จริง เรามีชีวิตแบบฝันๆใช่ไหมเราชีวิตอยู่ในความฝันเพราะเล่นเรายังไม่เติบโตเพราะเลือกเล่นเป็นเรื่องของเด็กแต่เราเราเห็นเด็กไปเล่นขี้ตรงที่คนสนุกสนานเนี่ยโอเคเราไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าเราโตมาเราไปนั่งเล่นที่ดินเล่นสนุกสนานเหมือนเด็กก็ไม่ปกติแล้วถือว่าผู้ที่ภาวะไม่พอเนี่ยดังนั้นเองเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนทุกวันนี้เราไม่ชอบเรื่องจริงเท่าไหร่ แต่ประเทศไทยของเราก็ชอบเล่นจนเรียกว่าประเทศเสียหายอะ่ะที่เล่นกันเนี่ยดังนั้นเราน่าจะได้ศึกษาเรื่องจริงแล้วก็เรื่องจริงเหล่านี้ก็น่าจะต้องอช่วยกันได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาบ่อยๆนะเพื่อให้เราไดา้เห็นว่าชีวิตเนี่ยถ้าเราจะศึกษาให้เข้าใจจริงๆเล่นไม่ได้เลยนะไอ้เรื่องเล่นคือเล่นในอายตนะนั่นเอง เล่นอัญจนะเสียงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะเล่นอะไรเนี่ยเราแสวงหารูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยสัมผัสมุมนวลอารมณ์ดีๆแล้วก็จะหาของเล่นลเหล่านี้ยมาตอบสนองแต่พอเจอที่ตรงกันข้ามนะรูปไม่สวยเสียงไม่เพราะกินไม่หอมรสไม่อร่อยสัมผัสไม่ดีอารมณ์เสียอย่างเงี้ยเราไม่เล่นได้ใช่ไหมเราเป็นทุกข์ เราก็ถนอมเรามัดระวังกันเพื่อไม่ให้ไปตรงกันข้ามแต่ความจริงในโลกความเป็จริงแล้วมันก็จะมีภาวะตรงกันข้ามเมื่อคุณมีชอบอร่อยมันก็ต้องมีความไม่อร่อยตามมาความอร่อยมีอายุจํากัดอย่างทานข้าวใช่ไหมทานไปสักค <c> ร <oughs> ึ่งชั่วโมงเนี่ยความอร่อยเป็นยังอ ย, งอยู่คงเดิมไหมห้านาทีแรกเนี่ยอร่อยมากใช่ไหมสิบนาทีชักเป็นไงกร่อยละยี่สิบนาทีชักอืดล้วใช่ไหม อาหารจะอร่อยขนาดไหนพรวะนั้นอร่อยไม่อร่อยไม่อยู่ที่อาหารมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลิ้นของเราการเล่นเหมือนกันมันมีสนุกและมีข้อจํากัดใช่ไหมร่างกายมันสอนเราอะมันยังรู้จักเบื่อมันรู้จักอิ่มแต่จิตของเรารู้จักเบื่อไหมนี่จิตของเราก็ถ้าหากร่างกายต้องการเขามเรียกว่าอยากเขาเรียกว่าอะไรหิวใช่ไหมหิวเนี่ยตอบสนองได้เป็นธรรม แต่เราหิวแล้วไม่กินถือว่าไม่เป็นธรรมนะถือว่าเบียดเบียนทําร้ายร่างกายแต่อยากเนี่ยถ้าตอบสนองแล้วถือว่าเป็นอะไรเป็นกิเลสแต่หิวตอบสนองแล้วถือว่าเป็นธรรมเพราะอะไรเพราะมันมันจบกินอิ่มแล้วมันก็จบใช่ไหมแต่ความอยากอิ่มแล้วมันจบไหมไม่จบขอให้เงิน 1, 000, เดือนหนึ่งมืนแล้วก็อยากได้สองหมืนเขาให้สอง 0,000 ื่นแล้วก็อยากได้ มืนไปเรื่อยๆเขาให้หนึ่งล้านเราก็อยากได้สองล้านไปเรื่อยๆพอมีสองล้านเราก็อยากได้สิบล้านไปเพราะฉะนั้นความอยากจึงไม่เป็นอามาตะธรรมมันเป็นธรรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นมตัตตธรรมคือธรรมที่มันทำไปทุกแต่ว่าความไม่อยากนะความหายอยากนั้นเป็นธรรมดังนั้นที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยการที่จะเอาชนะความอยากได้เราต้องทำจิตให้เป็นกลางก่อน ให้เป็นกลางระหว่างความอยากกับไม่อยากความอร่อยกับความไม่อร่อยให้จิตอยู่เป็นกลางก่อนถ้าจิตยังไม่เป็นกลางเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าระหว่างความอร่อยกับไม่อร่อยเนี่ยอันไหนมันมันดีกว่ากันพราจิตมันไปแปะอยู่กับไอ้ไฟอยากมันก็จะไปดิเสษความติดมันไปติดอยู่ความอร่อยมันก็ไปดิเศษความไม่อร่อยแต่เรามาเจริญสติเรียบให้จิตกลับมาเป็นกลาง ตรงกลางเนี่ยแทนที่จะเป็นเกิดขึ้นตรงกลางแทนที่จะเป็นว่างหรือเป็นตั้งอยู่ด้วยความว่างตั้งอยู่ด้วยความรู้แต่มันเป็นการตั้งอยู่ด้วยความที่เรวดดาว่าธรรมชาคือแปรปรวนใช่ไหมอั น, นิีจังทุกขังนาาั่นแหละเกิดขึ้นแปรปรวนแล้วก็ดับไปแต่ถ้ามันเกิดขึ้นในท่ามกลางคือมันว่างแล้วมันกระดับไปอันนี้ทุกไม่เกิดพอพุทธิเจ้าไปเห็นอ๋อมันมีการเกิดและการดับถ้าตรงกลางเรามีสติเสียเนี่ยการเกิดการดับมันก็ไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์มันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่ง พอไปเห็นตรงนี้เกิดยานที่สองขึ้นมาเรียกว่าจุตูปปาตยานจุตูมานจะคือว่าจุติแปลว่าดับใช่ไหมอุปาทะแปลว่าเกิดจุตูปปัตยานเกิดยานเห็นการเกิดและการดับนี่ความเป็นพุทธะก็ เ, เกิดแล้วตอนแรกรู้อยากรู้ที่ไปที่มาของกายได้รู้ที่ไปกายนี่มาจากรูปกับนามารูปกับนามมาจากทีไหนมาจากการเกิดรูปกับนามรูปเป็นการเกิดนามเป็นตัวดับ มาเห็นการ อ, อ๋อรูปกับน้ำมันการเกิดดับถึงมีรูปมีน้ำพอมาเห็นนี้เอาถ้าหากว่าเราไม่ต้องการให้มันเกิดมันดับแล้วก็ทําให้ตรงกลางเนี่ยเราไม่อยากให้การเกิดดับนี่เป็นต้นครรของความทุกข์ก็ให้เกิดดับนี่มันเป็นไม่ทุกเสียคือระหว่างกลางจะให้มันแปรเปลีนเพราะทุกข์แปล ว, วกกปล่าแปรปรวนใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่แปรปรวนไปตามแต่ความทุกข์ของรูปเนี่ย <Whew> ห้ามได้ไหมความแปรปลีปลนของรูปนี้ห้ามได้ไหม ไม่ได้อย่างนั่งนานๆก็แปรปรวนได้ใช่ไหมหนักแต่อพอเราเปลี่ยนมันปั๊บความแปรปรวนหายไปเพราะฉะนั้นตัวรูปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปบังคับไม่ให้เป็นทุกข์ได้เลยทุกสิ่งที่มันเป็นรูปเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ทั้งหมดคือหนึ่งเกิดขึ้นอันดีจังสองแปรปรวนผูข้ขังสามแตกดับไปเป็นหนาตาวนอยู่อย่างเนี้ย ทีนี้ผู้ทีเจ้าท่านจาัดสรู้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเอาชนะความอนิจจังทุกขังหน้าตาของรูปแต่แปลสภาพตัวกลางเนี่ยแทนที่อนิจจังแทนที่ทุกขังใช่ไหมถึงยี่ยันตท่านให้มาเอาตัวมารู้อนิจจังไม่ให้เกิดทุกขงังแต่ให้เกิดตัวว่างเสียให้เกิดตัวรู้เสียให้รู้ว่าเกิดขึ้นแล้วก็รู้ความแปรปนรู้อะไรรู้ความทุกข์ของรูป ไม่ให้ความแปลปวนของรูปไปสร้างความแปลปวนในนามถ้าความแปลปวนของรูปคุมูวตามทันไหมทันนะคนไม่ทันก็จะง่วงนะความแปลปวนของรูปเข้าไปสู่นามเราเรียกว่าจากความไม่สบายของกายมันก็จะเป็นความไม่สบายของใจความไม่สบายของใจนี้จึงเป็นสมุทัยคือตัวเกิด ตัวเกิดที่เหตุกิดทุกที่แท้จริงแต่ความแปรปรวนของร่างกายเนี่ยไม่ใช่เหตุที่แท้จริงเป็นส่วนประกอบเพราะมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไม่ว่ารูปอะไรสิ่งสาราสัตว์ต้นไม้ภูขเขาแปรปรวนหมดแต่มันไม่แปรปรวนให้เราเห็นเท่านั้นเองนะแต่ของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกกระเบื้องกวามันจะแตกสลายเนี่ยหลายสิบปีใช่ไหมแต่ร่างกายของเราเนี่ยไอ้ความสบายมันแตกสลายไปเมื่อกี้นี่เอง เดีีเกิดความไม่สบายเกิดขึ้นแล้วอพอเรารู้ขึ้นปั๊บเนี่ยความไม่สบายทางกายแตกสลายทันทีใช่ไหมแตกสลายไปเดี๋ยวพอนั่งปับ๊บความไม่สบายก่อตัวขึ้นใหม่ความแปรปรวนเกิดขึ้นใหม่มันไวมากอันนี้คนจึงเป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนทางจิตความแปรปรวนทางกายนั้นบำบัดเอาแต่ความความแปรปรวนทางจิตนั้น ถ้าเรามีตัวว่างตัวรู้แล้วเราดับได้นะดับได้โดยการเข้าไปรู้เฉยๆโดยที่ไม่ต้องไปจิตไม่ต้องไปแปลปนกับมันไอความแปลปนทางจิตก็ดับมีอะไรเข้าไปแทนตัวว่างคือตัวรู้เข้าไปแทนตัวนั้นทุกก็จะไม่เกิดพระพุทธเจ้าเห็นเนี้ยอ๋ อ, อก็บอกคุณเฮี้ยนทําไมคุณแปลปลอ๋อแปลปลจริงใช่ไหมความม่วงนี่แปลปวลไหมเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ความม่วง เป็นทุกเรรู้ว่าเป็นทุกข์เพิ่งง่วงมาทำไม <C> e <ages> นานเพราะเราไม่รู้ทุกข์เห็นว่าเนี้ยเราไปทําในสิ่งที่เราไม่จองการนะเออมันเป็นเรื่องปลาดมากเลยเลยเราต้องการว่าไม่ทุกข์ใช่ไหมต้องการไม่ทุกข์แต่ว่าเราก็ทุกข์อะ่ะเพราะนั้นความง่วงจะเป็นรูปหรือเป็นนามอันน <c oughs> ี้ข้อสอบสําคัญนะความง่วงเป็นรูปหรือเป็นนามถามก่อนความง่วงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ๆๆๆถามว่าเป็นทุกข์ทำไมต้องง่วง เ พ, เพราะขาดตัวอะไรขาดตัวรู้ขณะ ง, ง่วงก็อวิชชาเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ใช่ไหมเพราะไม่รู้จึงง่วงพราะง่วงจึงทุกข์แต่เราต้องการไหมไม่ต้องการแต่เราก็ต้องรับเพราะอะไรเพราะตัวอวิชชามันเป็นอณิจังทุกข์ันธน้าตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่ถ้าเราจะบังคับบัญชาได้ต่อเมื่อเรามีตัวอะไรตลอดเวลาตัวรู้ แต่เรารู้ว่าลมท่าจะง่วงปับ๊บเร า, าก็ขยับข้าน้าขยับหลังลูกหนีใช่ไหมมันก็ไม่ง่วงแต่คุณเที่ยงไม่กล้าทําก็เลยจะ ง, ง่วงเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นความง่วงเป็นรูปแต่ความไม่รู้จักง่วงเป็นนามเป็นเหตุเป็นสมุทยัยความรู้จักง่วงเป็นนามดังนั้นอันนี้คือมันไม่ได้ไกลเราเลยนะสัจธรรมในส่วนนี้แต่เนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้วิจัย คำเราธรรมะวิจัยดังที่กล่าวมาตอนเช้าว่าสิ่งไหนขณะนั้นมันจะเกิดหรือเกิดขึ้นแล้วให้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปตามดูตรงนั้นจะเรียกเป็นธรรมะวิจัยแต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้ ว, ลวโอ้ความง่วงเป็นีิจังคู่ขังหน้าตาเป็นไหมเป็นธรรมะวิจัยไหมไม่เป็นเพราะมันผ่านไปแล้วแต่และรู้ในขณะที่มันเกิดอ น, นั้นเป็นธรรมะวิจัย <c oughs> ธรรมะวิจัยคือการสัมพันธ์กับความจริงแต่มันหมายถึงการวิจัยของนักวิชาการเขาทํากันนะ นักวิชยการเขาทำกันเขาทำวิจารแต่เขาเรียกว่าทำวิจัยงานวิจัยการวิจัยหมายความว่ามีความจริงปรากฏอยู่แล้วเข้าไปทำกับความจริงเรียกว่าเป็นการวิจัยแต่การนำเอาข้อมูลสิ่งที่ล่วงไปแล้วหรือยังไม่มาถึงมาทำเรียกว่าวิจารเพราะนั้นสิ่งที่ชาวโลกทำกันคืองานงานวิจารไม่ใช่งานวิจัยงานวิจัยคืองานตัวสภาวะที่เป็นนามนี้เรียกว่าธรรมวิจัยธรรมวิชยะ ดังนั้นในเรื่องนี้จึงอยากจะให้ได้ฟังอาไว้บ่อยๆเพราะมันเป็นความจริงของชีวิตที่เราประสบอยู่ทุกเวลานาทีแต่เราไม่เคยมองมันตรงตรงเรามองมันอ้อมออมเรามองผาดผา ด, ผ, ด, ผ, ดผืนผินนะดังนั้นเองถ้าหากว่าผู้มีความใฝ่ใจศรัทธาที่ศึกษาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสนุกมากแต่ถ้าหากว่าคนไม่มีศรัทธาที่ศึกษาเรื่องนี้เราไปสอนก็นได้วิชาการเป็นเรื่องที่หนักและเหนื่อยมากเป็นหนักเหนื่อย ดังนั้นจึงอยากจะให้ศึกษาพุทธธรรมในมิตินี้มิติแห่งความเป็นจริงนี้แล้วจะได้ประโยชน์มหาศาลประโยชน์คืออะไรประโยชน์คือเราเข้าใจความจริงแล้วเราไม่ต้องการให้ทุกข์มันเกิดเรารู้ว่าทุกข์มันเกิดเพราะเพราะอะไรเพราะตามไม่ทันต่อความแปลปวนของรูปแค่นั่นเอง แต่เมื่อรับฝึกสติสมัมผยะมา ก, มากตัวรู้เมียมา ก, มากเรารู้เท่าทันความแปลปรนของรูปมันก็ไม่ไปสร้างความแปลปรนให้กับนามแกสมูไยได้ไหมแกได้แล้วทุกดับไหมดับแต่เนื่องจากว่าอ น, นิจจังมาทํางานตลอดเวลาเราก็ต้องสร้างอะไรตลอดเวลาเหมือนกันสร้างตัวรู้ตลอดเวลาถ้าอ น, นิจจังเกิดไปร้อยครั้งตัวรู้เราทําแค่50สิครั้งทันกันไหมการที่รู้แต่ไม่ทันเขาเรียกว่าอะ วิชาอวิชาแปลว่ารู้เท่าทันอวิชาวิชาแปลว่ารู้เท่าทันอาวิชาแปลว่ารู้ไม่เท่าทันแต่ไม่ได้แปลว่าไม่รู้นะอวิชาอวิชาแปลว่าไม่ได้แปลว่าไม่รู้แต่รู้ไม่เท่าทันเท่านั้นเองไม่ทันเพราะว่ามันไม่บาลานนี่ไงเกิดไปร้อยหนึ่งแล้วคุณให้มันดับแค่ห้าสิบเนี่ยมันก็เหลืออยู่ห้าสิบไอ้ตัวห้าสิบนี่ยคุณไปทุกข์กับมันถ้ามันเกิดห้าสิบคุณก็ต้องดับมันห้าสิบ มันเกิดร้อยคูณต้ดับมันร้อยหมายความว่าความหลงมันเกิดร้อยครั้งคุณก็ต้องสร้างความรู้ร้อยครั้งมันก็บาลานซ์กันนะมันก็จะไม่เหลือนะอยากจะให้เปิดไปพุทธภาษิตบทหนึ่งในหมวดวาระจิตหน้าสองสองสองสองสาหน้าส2 3 2 3, 4ามสองสี่เปิดไปดูหลวง่อจำแม่หนูแม่นูไขอหนูสีสกลม น่าจะหน้านั้นแหละแล้วก็อ่านคาถาบทนี้ให้ฟังชัดๆเลยสมาชาซึ่งมาว่าเรื่องบทจิตไหมเกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับจิต2 21, 2 21. ฮะสองสองหนะึ่งแต่ว่าคาถานี้มันน่าจะอยู่สองสองสองอ่าสองสองหนึ่งนะ หลวงพ่อจะเชีย่ยเห็นว่าผู้พุทธองค์นี่หูตัดฟังแล้วมันท่องทุกครั้งมันจะทราบซึ่งทุกครั้งในพุทธภาษิตบทนี้นะแต่ว่ามันเพนเทนธรรมดามากไม่มีอะไรไม่มีอะไรหน้านั้นแต่ว่าถ้าคนไม่เข้าใจนะว่าเรื่องจิตหน้าส 2, 2, 2. องสองสองบทที่สองหน้าสองของสองไม่ใช่ของสามบทที่สองลองว่าพร้อมกัน อปปานังฮิตังจิตังปริปุนังสุภวิตังยังมานังกะตังกมังนาตังตัตราวสิสติแปลว่าจิตเืุที่อบอรเมเุที่แล้วเป็นจิตหารประมาณนี้ได้กรรมที่ทาแล้วขอประมาณกรรมนั้นจะไม่เหลือในจิตนั้นเข้าใจไหมเข้าใจแล้วได้บ้าง บทสุดท้ายกรรมที่ทําแล้วพอประมาณกรรมนั้นจะไม่เหลือในชีดนั้นหมายความว่ามันเกิดเท่าไหร่ก็ให้มันดับเท่านั้นอย่าให้มันเหลือพูดเท่าไหร่ก็ให้มันหมดเท่านั้นอย่านํามาคิดอีกทําแล้วก็จบอย่านํามาคิดอีกคิดแล้วก็จบอย่านํามาคิดอีกแต่ไอการที่นํามาคิดนํามาพูดนํามาทําซักแสดงว่ามันเป็นไงมันเหลือเราทุกข์เพราะในส่วนนั้น สิ่งไหนที่คิดไปแล้วอย่านํามาคิดซ้ําถ้านํามาคิดซ้ํานั้นทุกเกิดตรงนั้นเพราะแสดงว่าคุณใช้ไม่หมดมันถึงกลับมาอีกนี่กรรมเลยจะไม่เหลือในจิตนั้นกรรมแต่ว่าการที่เราทําเท่าไหร่แล้วหมดเท่านั้นคิดเท่าไหร่หมดเท่านั้นพูดเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นโดยที่ไม่เหลือคุณจะต้องมาดูบทเรื่องว่จิตที่เกื้อกูลที่อบรมดีแล้วเป็นจิตที่หาประมาต้องจิตต้องอบรมดีแล้วอบรมด้วยอะไร ด้วยสติด้วยสัมผัสยะได้ด้วยปัญญาอบรมบริบูรณ์ดีแล้วเป็นจิตที่หาปเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่ไหมครับเป็นจิตที่มีตัวรู้หาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นการทําการพูดสิ่งใดจบไปแล้วคือจบไม่นํามาคิดจิตก็จะว่างตลอดการที่จิตไม่ว่างเพราะส่วนใดส่วนหนึ่งมันเหลืออยู่ใช่ไหมคำพูดที่พูดไปแล้วนํามาคิดใหม่มันเหลืออยู่แสดงว่าคุณพูดไม่จบคุณถึงนํามาคิดอีกความคิดที่คิดไปแล้วคุณนํามาคิดอีกแสดงว่าคุณคิดไม่จบ คุณถึงนำมาคิดอีกการกระทำที่จบไปแล้วแต่คุณนํามาทำอีกแสดงว่าคุณทำไม่จบมันถึงเหลืออีกคุณทุกข์เพราะส่วนเกินที่พระพุทธท่านพูดนะพวกเราเป็นทุกข์เพราะส่วนเกินพูดเกินที่พูดมาเป็นชั่วโมงเกินแล้วนี่นะนเกินละแต่ว่านิ่พูดยิ่เข้าใจนี่ไม่เกินนะพอดีพอดีเลยนะไม่เหลือเลยนะไม่เหลือให้สงสัยเลย นั้นกรรมที่ทําแล้วพอประมาณกรรมนั้นไม่เหลือจกทก่นะั้นหลวงพ่ออ่านตั้งแต่เข้าใจบทนี้หลวงพ่ออ่านเราประทับใจมากแล้วก็นึกถึงสุภาษิตบทนี้นะก็ทําให้ว่าเราต้องระวังคําพูดของเรานะคําพูดที่มันเกินขึ้หมายความเกินความเป็นจริงไม่ใช่พูดมากทําเกินความเป็นจริงทำ ถ, ถ้าทําตามความป็นจริงทํามากเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าพูดตามความเป็นจริงพูดมากเท่าไหร่ยิ่งดีพระพุทธญาติพูดมา สี่สิบห้าปีได้พระใจพิดกเท่าไหร่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นะเกือบร้อยเล่มนะแล้วก็คิดพุทธเจ้าคิดมากที่สุดจึงพูดออกมามากถึงทำออกมามากเราจะคิดได้มากที่สุดแต่ว่าที่คุณทุกข์เพราะคุณคิดน้อยเกินไปอันนี้อาจารย์อาจารย์เกวิทพูดนะที่คุณทุกข์มากเพราะตัญหาคุณน้อยเกินไปคือหมายความ ตัรความอยากของคุณไม่มากพอที่จะต้องการที่ทะลุไปให้มันทะลุอยากคุณต้องอยากให้มากสุดจนสามารถทําเอาความอยากทําลายความอยากให้ได้คุณอยากมากเท่าไหร่คุณต้องเพิ่มความอยากอยากจะทําความเพียรเพื่อเกิดตัวรู้ให้มากเท่านั้นเมื่อตัวรู้มันมากแล้วมันก็ไปทําลายความอยากเองตัวรู้ที่เกิดก็อาศัยความอยากเกิดใช่ไหมแต่เราไม่เรียกว่าความอยากเราเรียกอะไรศรัทธาความอยากที่เป็นในฝ <c oughs> ่ายกูโซเราเรียกว่าศรัทธา ความอยากที่เป็นฝ่ายอากุศลเรียกว่าตัณหาหัวรถก็หัวขบวนเดียวกันมันจะไปข้างเหนือและข้างใต้เท่านั้นเองนะอันเดียวกันตัณหาและศรัทธาแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัณหาเป็นศรัทธาไม่ได้ก็นั้นแหละจะก็ทุกข์หนักๆเลยแหละดังนั้นในจุดนี้จึงเป็นบทพุธภาษีที่เราต้องจดจำเอาไว้นะอปามาณังกิตังกิตังนะสุภวิตัง ดะนั้นในตัวพุทธภาสิตแต่ละบทเนี่ยควแก่การจดจําเพราะว่าพอจําแล้วเนี่ยเอาไประลึกเอาไปเป็นตัวสติเป็นอนุสติแล้วเนี่ยมันเกิดความซาบซึ้งมันเกิดความลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆแล้วจะเห็นสภาวะความจริงชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่สงสัยตัวไม่สงสัยนี่เองก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดญาณที่สามเรียกว่าอาสวะขย้ย ญ, ญาณ พุทธิยามีสามยานแต่สะรู้ใช่หมหนึ่งเรียกว่าปุเพ ท, ที่เราฟังหลวงพ่อพุธทธิยศธรรมเมื่อกี้ปุเพนิวาสานุสติยานเระลึกได้ว่ารูปนามนี่มันเป็นอะไรมาก่อนเคยเกิดเป็นเสือเป็นช้างเป็นมีเป็นสัตว์นรกสัตว์ในเทวดาอินพุ่มแค่รูป ก, กับนามของเรานี่แหละมันเกิดมานับชาติไม่ถ้วนบางชาติมันก็ไปเกิดในนรกบางชาติมันก็ไปเกิดเป็นเปรตบางชาติมันเกิดเป็นอสุรากายบางชาติเปนเกิดเดรัจฉาน บางชาติเกิดเป็นมนุษย์บางชาติเกิดเป็นเทวดาบางชาติเกิดเป็นอินเป็นพรมบางชาติเกิดเป็นสัตว์ในสวรรค์มากมายท่านเห็นมาตลอดเลยอันนั้นไกลเกินไปใช่ไหมถ้าจะบอกว่าบางครั้งมันเกิสุขบางครั้งมันกิทุกข์บางครั้งมันก็ทุกข์มากบางครั้งก็ทุกข์น้อยบางครั้งก็สุขมากบางครั้งก็สุขน้อยอย่างนี้สัมผัสได้มากกว่าไหมเป็นปัจจุบันกว่าแต่อันนี้คือของจริงบางครั้งสุขมากบางครั้งทุกข์มาก บางครั้งสุขน้อยบางครั้งทุกน้อยบางครั้งไม่สุขไม่ทุกมีไหมไม่สุขไม่ทุกเลยมีไหมมีแต่เรารู้ไหมไม่รู้แต่ถ้าเรารู้ทุกครั้งที่ไม่สุขไม่ทุกเราก็จะกลายเป็นอริยะแต่พอเราบางครั้งสุขก็ไม่มีทุก็มีแต่เราไม่รู้มันกลายเป็นอะไรเป็นโมหะเป็นโมหะไปบางครั้งเราเฉยๆไม่มีสุขแต่เราไม่ได้ตามรู้มันเพราะไม่ได้ตามรู้มันกลายเป็นโมหะไปเลย แต่ถ้าเราสุขเราก็ตามรู้ทุกข์เราก็ตามรู้ไม่สุขไม่ทุกข์เราก็ตามรู้คุณแดงระวางหนังสือตกอ๋อนะนึกว่านั่งง่วงไปด้วยหนังสือกาลังอยู่ในมือดังนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องนี้มันไม่ยากแต่ว่าเราไม่คุ้นเท่านั้นเองเมื่อเราคุ้นแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็ทุกข์ก็จะหมดไปเพราะเรื่องที่เราเข้าใจนี ดังนั้นเองคนที่มีปัญญาจริงว่าไม่ต้องทําความเพียรมากอย่างพระสารีบุตรใช่ไหมพอฟังพระพุทธเจ้าจริงๆวันนี้มันเป็นเรื่องของกายอยู่ใช่ไหมแต่พรุ่งนี้เป็นเรื่องของต้นเช้าหลวงพ่อพูดถึงเรื่องอะไรจำได้ไหมเรื่องของกายและเรื่องของเวทนาของกายใช่ไหมพอเจ้านี้ท่านสวดเรื่องเรื่องศิริประานสูตรพรุ่งนี้ท่านจะสวดเช้าท่านสวดเวทนาพรุ่งนี้คอยพูดถึงเรื่องเวทนากันนะ นั่นในช่วงเย็นวันนี้น่าจะพอแล้วมั้งหนักไหมก็พระพรันพราส่วด น, น่ะเอามาไม่ได้นําเจตนาที่จะพูดเรื่องนี้นะอ่าพุ่นทาโทษดุจท่าโทษดุอาจารย์ทวินพันพาส่วนเรื่องยางาฮาเว่ถ้าพระสวดวันไหนนั่นก็เอามาก็จะเอาเรื่องนั้นเอามามาพูดให้ฟังนะก็จะทําให้เข้าใจหลักที่พุทธเจ้าสอนเราก็จะเห็นความสําคัญของคําสอนพุทธเจ้าแล้วต่อไปพุทธภาษิต ท, ทุกอย่างที่สวดผ่านๆไปเนี่ย ถ้าโยมทราบซึ้งโยมจะจำได้เองเอามาจำได้เกือบทั้งเล่มเลยเล่มนี้จำไหนขึ้นมาจำได้หมดเพราะมันอ่านแล้วมันเกิดความทราบซึ้งแล้วมันเข้าไปในใจเลยโดยที่ไม่จำท่องน่ะมันมั น, ม, นมันเป็นอะไรบางอย่างที่เราสิ่งนั้นเราบริโภคเข้าไปแล้วราลึกถึงสิ่งนั้นบ่อยๆสิ่งไหนประทับใจราลึกสิ่งสิ่งนั้นบ่อ ย, อยมันไม่ยอมคิดถึงเรื่องอื่นที่จริงเราก็อยู่ในสิ่งนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่เพราะเราไม่ยังไม่ทราบซึ้งดูมืนมืนเรื่องยาก ได้จะยัไงทำให้ทราบซึ้งก็ะจะเริญนตัรู้ให้เยอะๆเพราะสิ่งที่พุทธเจ้าตับกับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันอันเดียวกันสิ่งคําสอนพระพุทธเจ้ากับสิ่งที่เราเป็นมันอันเดียวกันแต่คนละภาษ า, าเท่านั้นเองเราก็ใช้มาใช้ภาษาของท่านมันก็ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นพุทธภาสิต ท, ทุกบททุกตอนน่ยโอ้โหถ้าเข้าใจมันมันทราบซึ้งมากเขาเรียกว่าเป็นเกิดธรรมปิติทีเดียวนะก็ะขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราจะศึกษาเรียนรู้ ให้เข้าใจให้รู้ปูพงเพื่อให้หายสงสัยในเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของความทุกข์ในเรื่องของพบชาติต่างๆเมื่อหายสงสัยแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์ต่อไปด้วยกันทุกคนทุกท่านเถืน